สองท่านอาจารย์นี่ใช่นะนะพิจารณานะไปตรงไหนก็ใช่นะนะอะไรเนี้ยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ ใช่ค่ะราลุกเท้าแล้วกการเือนเท้าระเหยลงไปจนมันกะการที่ของหนัก ใหม่ค่ะค่ะม so ันจะมีค่ะถ้ายไปค่ะ่อจะมการค่ะมอนกระหว่งโซ่ที่อาจารย์บอกมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะคจะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะ่ะคค่ะ่่ค่ะะะค่ะค่ะค่ะะะ่่ค่ะ ที่สีครั้งสี่ครั้งไม่แจ้งร้อยครั้งปั่นครั้งหมุนค้งกครั้ก็ต้องถ่อบเพิ่มจุยดีอย่ดีแจกันรู้ไปรู้จุดทำอเสียเวลางในโรงที่มใช้ดูดขอา่คือตอนแรกในส่วนที่น่าจะต้องเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือาจริงคือ อกาแต่ที่คถาที่มาเสนอประเด็นว่าใรทกคือก่อนแใรับอนิจจังก่อนยากจะถามว่าอนิจจังอะทุกข์ั้วอรเกอนปุิอนิจจังความไม่เที่ยงอนิจจังเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นเกทุกข์าเป็นผลใช่ไหาณาจารย์เ <Squ irrel> ป็นเกกเป็นผลาาเป็นผลอาณาาเป็นได้ทั้งเกแลทั้งผลทั้งแล้วแต่กรณีะองเจ้าจรับาทีนี้ตอนในอริยสัจในในใจรักนั้นเอาเกศไปก่อนเราไปหาผลเร ura, ามีทกทแต่ในอริยสั์เป็นภาพปฏิบัติท่านต้องให้เกิดผลเสียก่อน เราจะเอาต้นไม้เอาต้นมาปลูในบ้านเราเรารู้ว่าฝนด้วยเองเลยข้าวไม่รู้จะเอาฝนใหต้นนี้รือต้นนี้ฝนที่ได้ไม่ได้เราต้องมาปลูกใช่ไหมเรารู้ว่าเออที image, ่มันโปรยมักิไ <Australia> ด้เ <playoffs S net> ่าต้าสร้างเกณฑหรือรู้ฝนจะโปอะไรสเกณอันนี้ในภาคปฏิบัติใช่ไหมดี้เรากินมากว่าเรา้องปูออกมาถ้ามันโดยกินมากกว่าค็ปลูกมไม่ถูกกันแสดงว่าเรารู้ฝนมาแล้วเราเตรียมเกณฑ์ ให้เห็นผลชกกัดเจนกเรามาปฏิบัติทําเเรามาเร า, าค่อนข้างยากนสะดวกสบายมีบาที่เนมีภาระในใเราเห็นผลชกเกดเจว่าถามาแล้วมีต้องแรกเกิดต่ดนางเนี่ยผมตไปใช่ใช<ห>่<ๆ> ค, ค่ะจะนามาถึงความสุขความสความบายป็นเบืนน้งงนนองหน้นาเราก็ลงให้็ผลกนั่นจริงเอาผลคือเห็นทุกเป็นคนแล้วขึ้นมา แลสมุทรไเฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าสมุทรไยนี้จได้ครับพิจารณานะไเจได้เพราะว่าไเใช่ใช่ค่ะที่อหัเนค่ะทุกเป็นผลค่ะดยกาสมุทรไก็เป็นเตก็เป็นเหตุได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอย่างที่นิวมาพูสดวแทน การผลผใหม่ผลเอาวกางเพราะานัตต่างคนี้อันนี้อะี่าวาจะได้ให้ท่านรายงานต่วาัสไงตเป็นคาตนแล้วการว่าไปนําต่างจังหวสงสงทมาีอะไรเปลี่ยนแปลงไาะมันเดือดแมมันเดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหือป ข้าวเก่าตระการหลองอพ่อพรสุสามณีกรลบอย่างสงทุกโรคญาติธรรมทุกท่านข้าพรมึงมาเข้าคอร์สเป็นครั้งแรกก่อนก่อนก็นำมาแล้วสิบกว่าปีไปที่วัด ภาธาตแสงเทียนในตัวจังหวัดมาครั้งหนึ่งแล้วก็ ห, ห่างเฮินไปห่างเคลียร์จากนั้นมาก็มาเข้าขอคอสนี่ปไปครั้งแรกนับไปครั้งแรกเลยก็ในเมื่อมาปฏิบัติก็กำหนดสติประสานเสีเนี่ยกายเวนาจิตธรรมเพราะว่าร่างกายขวงเราเราสูดสึกว่าสู้ไม่ไหวตอ น, นแรกนะ เจ็บปวดไปหมดเลยให้มันเป็นอะไรว่าพวกเพื่อนเขาอะปฏิบัติได้เขาจะเจ็บอย่างกับเราไหมนาะพิจารณาอยู่วันแรกก็อาศัยคุณหมอที่มาด้วยกันนวดตามหลวงพ่อมียาแก้ปวดไหมหลวงพ่อก็ให้ยายาก็นวดนวดนวดลายปวดรู้พิเวณกรรมอะไรในศาสตร์ปางก่อน เมื่อเรามาพบแสงธรรมจะไม่ให้เราในพบเราปฏิบัติอย่างไงก็มีอาการพิจารณาอยู่บริเวณกรรมอะไรของเราพิจารณาไปหลวงพ่อก็อบอกว่าให้แยกกายจากกายกับใจให้แยกออกจากกันถ้ากายไม่เจ็บใครไม่เจ็บของกายมันใจเราไม่เจ็บให้อันหนึ่งเราก็พยายามระ ง, งับความเจ็บปวดของเราเนี่ยปวดจริงๆด้วยปวด พนจะไม่ไหวพอผ่านล่วงผ่านไปอีกวันหนึ่งเขารู้สึกมันดีขึ้นแม่ก็แปกก็ดีขึ้นอาสายนวดป้างนะนวดอาดีขึ้นก็พอมีกำลังสู้แต่วันนี้ก็พลอไ้ไปเก็บอารมณ์ก็รู้สึกว่าอากาศก็ดีเย็นสบายไม่ง่วงวันนี้ไม่งว่งวนะ ง, วงเลยอาทำได้เต็มเปเต็มโดยรู้สึกว่าอารมณ์ดีวันนี้อาขาเจ็บปวด ก็ทุเราเวบาบางลงไปได้ฮะไม่มีอะไรพูดนะนครับเพิ่งเข้ามาใหม่อย่างเวลุอาตุธามดีก็เรียนหลวงพ่อแค่นี้ครั บ, บ า, บา น, นั่งเปน็นหัวท่านวัดไม่มีอะไรกล <c oughs> ับไปได้ฮนะัอไอเปนะ็นบ้านใช่ไหมเป็นเป็นหล่น อเมริกาว่าเขามาปฏิบัติใหม่ๆหรือไม่เคยมาเลยนะแต่วันนี้เขาเป็นยังไงบ้างที่เราฟันโอเคครับครับเขาเขาส่งทุกรูปนะครับแล้วกเ็เพื่อนนับปฏิบัติธรรมทุกท่านครับผมก็เอ่อ ตอนแรกก็ณนะวันแรกอะนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะค้นพบออความสุขวันแรกเนี่ยบอกตรงๆว่าใจยังไม่ได้รับกับพุทธศาสนาเต็มร้อยวันที่สองเนี่ยก็ใช้พิธีการตั้งการจากการที่หลวงพ่อท่านสอนมาก็ ได้คุยกับหลวงพ่อประมาณสักสามครั้งครั้งละประมาณห้านาทีกับสามนาทีหลวงพ่อท่านแนะนำว่าให้เดินให้รู้สติผมก็เดินอย่างเดียวเดินในที่นี้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรากลัวความกลัวทำให้เราหนีเลยต้องเดินเดินอย่างเดียวพอมาวันนี้เนี่ยตอนเช้าหลวงพ่อท่านเทศ พูดถึงคนชกมวยขาดเชือกหัดดิบผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าเราไม่คิดจะสู้มันก็จะไม่ค้นพบอะไรปรากฏว่าตั้งแต่ตอนประมาณสักหลังจากที่สิบเก้าโมครึ่งถึงช่วงเช้านะครับก็ ได้ลองมานั่งอยู่ตรงวิหารของคุณแม่ก็ยอมนั่งแบบเจ็บปวดมากทุกๆสิบสองท่าที่หลวงพ่อท่านสอนแนะนำมาผมลองไปทั้งหมดสิบสองท่าแต่เราค้นพบว่าสามท่าแรกเนี่ยทำให้เรามีบีบปากน่าจะเป็นการปวดเมื่อยมากส่วนอีก 6ท่าเนี่ยคนพบว่ามันรับได้แต่2ท่าสุดท้ายเนี่ยเป็นท่าที่ผมชอบมากก็สามารถนั่งได้นานประมาณเกือบ2ชั่วโมงกว่านะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นหลวงพ่ออยู่ข้างๆผมตลอดบา ร, รมีของพ่อหระค่าผมไม่ทราบนะครับพอตอนช่วงบ่ายผมก็มานั่งที่ศาลานี้อีกเริ่มตั้งแต่ตอน เที่ยงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นนั่งสองชั่วโมงแรกก็คนโผลความเพลินเกินไปก็เดินไปถามหลวงพ่อเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามและนะครับว่าผมเนี่ยนั่งมาแล้วมันมีสองเหตุผลคือทุกข์กับเพลินไอ้ที่เจ็บปวดมากตรงกะตุ่มขาเราะครับมันเจ็บมากก็เดินไปถามหลวงพ่อว่าจะทํำยังไงหลวงพ่อท่านก็แนะนําว่า ดูสิว่ามันเจ็บหรือว่ามันจะไปถึงไหนผมก็บอกว่าผมเจ็บจริงนั่งนานหลวงพ่อก็เลยแนะนําว่าค่อยๆขยับว่าเราเนี่ยเจ็บจังหวะที่เราขยับเทเลนิตเนี่ยมันเจ็บตรงไหนก็ตามดูมันต่อไปนะครับพออย่างที่สองเนี่ยเนื่องจากนั่งพับเพียบแล้วมันเพลินเกินไปผมก็เลยไปถามหลวงพ่ออีกทีหนึ่งต้องขอโทษนะฮะญาติคํา พอดีผมมาจากที่นู่นนะครับไม่มีหลวงพ่ออยู่ข้างๆผมตลอดวันนี้ผมก็เลยเดินไปถามหลวงพ่อประมาณแปดครั้งแต่ละครั้งนี้ก็จะได้คำตอบที่กลับมานั่งสติอีกทีนึงครั้งสุดท้ายที่ถามเนี่ยถามว่าเวลาเราเพลินเนี่ยมันจะไปถึงไหนหลวงพ่อก็ถ้ามันหายปวดแล้วมันเพลินอยู่มันอยู่ในปิติ ก็ต้องตามดูต่อไปนะครับแต่ผมก็ยังบอกกับหลวงพ่อไปครั้งหนึ่งว่าผมก็กลัวว่ามันไม่ใช่ตกตอนเย็นก็เลยกลับมานั่งดูต่ออีกทีหนึง่งแต่มันก็ยังไม่สงบนะครับก็ยังมีความรู้สึกง่วงนอนอยู่สักประมาณยี่สิบนาทีคิดอะไรไม่ออกก็เลยเดินออกไปเตเตะเล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมานั่งใหม่อีกประมาณเกือบสองชั่วโมงกว่านะครับก็เดินกลับไปถามหลวงพ่ออีกทีนี้ ไม่ถามแล้วขึ้นไปกราบหลวงพ่อผมพูดคำเรื่อว่าผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแค่นี้ครับมีความสุ ข, ค, สขวความสุขเป็นอะงไงที่ว่ามีความสุขตัวแอะไร ขันแรกเนี่ยตอนที่พบเนี่ยคือความสุขจากการที่เรารู้สึกว่าการนั่งสิบสองท่าเนี่ ย, อยไอสามท่าที่เราปวดเนี่ยเราผ่านมันไปได้เราเหมือนเราเอาชนะบางอย่างไปได้นะครับแต่ว่าพอตอนประมาณสักห้าโมงเนี่ยสี่โมงกว่าเนี่ยผมนั่งแล้วผมก็บอกสุขนี่มันมาจากไหนตามอยู่ครับหลวงพ่อ เอ่อณตอนนี้ก็ยังอยู่ครับมผมว่ามันไม่นานนะครับเพราะเกิดถ้าเกิดได้พิจารณาไอ้สามตัวที่เราดั้งปวดเนี่ยคิดว่าคงต้องรู้อะไรนั้นในคุณเล็กเราว่าพายายามไปจับกระส่ายมาหลายวันมาเพื่อให้นั่งเป็นเพื่อนเรนี้เพราะว่ามีความ ใ, ใจสูงนะ แต่เนื่องกมีวิบากกรรมอยู่เพราะงั้นก็เลยใช่ว่าต้องนั่งทรมาตัวเองเพื่อลดแค่วิบากกรรมเนพราัง้งกรมรมันพ่งไป่มันก็เลยสบายขึ้นอันดีใช่ไมัมเพาะตั้งใจให้ดีนืออย่ืยว่าถ้ามีพิจารณาลบทวนเยอะเนี่ยเขารเรียกเ้ากรรมนเวทเข้ามาทวงอ่าเราก็ต้องทนสู่บเรื่อย ร, รับชควิบากนั้นเพะว่วิบากมันเขาเหมนจะ คนที่มาโกงเงินเราอ่ะก็ได้เงินไปแล้วเขาก็เราก็สบายเขาก็สบายเหมือนกันเพราะฉะนั้นในถ้าหาวกวเราตั้งใจไม่พอนะขยับปวดเป็ปวดไปไ ป, ป, ป, ป, ปก็ดูนะดูแลขยับขยับหนยดูแลเข้าดูไม่ใช่ปวดแล้วแช่อล้วปวดนะไม่ใช่ง่วงไปแช่แล้วก็ขยับดูว่าเป็นอะไรให้การที่เราเอาใจใส่สังเกตขยับรู้เล็ก ๆ, ๆน้อยๆเราการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นตัวที่จะให้เราคลิกอะไรบางอย่างถ้าเราเป็นอะไรเราปแช่อย่ง น, นั้นมันจะไม่เกิดอะไรแต่โดยโดยสติขึ้นมาแล้วเราจะต้องการศึกษาตัวมันเองความปวดเป็นอย่างไรแนั่งขยับปวดคลายแล้วปล่มันขึ้นมาใหม่พอเติมที่แลายันจ ะ, จะนั่งท่าอีกแล้วมันปวดอีกดูหลายๆครั้งเราจะเห็นธรรมาชาติของมั น, น ถ้ามันนั่งม่วงก็ดูม่วงหลายครั้งไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องไปหวีกำการมันม่วงเริ่มตัวอย่างไรตั้งอย่าระดับไปงก็ในคอนเซ็ปเดิมนะมันเก็บอย่างไรแล้วมันเบามันเบาอย่างไรต้องไปเก็บกดรงไปใหม่ท่าทางเบาขมาใหม่อนคนที่เข้าตีมีดเนี่ยเข้าเก่าแล้วก็ชุบน้าชุบน้าแล้วก็เข่าเข่าแล้วก็ุบน้ําันที่สุดเหล็กที่อ่อนกลายเป็นเหล็กแข็งกลายเป็นเหล็กกล้า นั่นตัวตรงนี้ธรรมวิทยามีการเข้าไปทดสอบทดลองสิ่งทํ่เราทำไม่ได้ทาไปคืบๆไปสบายๆไม่ใช่เงยนะอัศวันมาจากไหนความสุขมา่างไหนความรู้มอย่างไหนหาอยู่นั่นแหละอาไปทําไมจนเกิดความเข้าใจพอเกิดความเข้าใจมีความสุขจากนั้นสุขพุ่ขึ้นมามันมีอุจจาระเพราะเราเข้าใจไปมาเข้ามามันจะสุขมันก็ไม่สุขไปด้วยใจก็ไม่สุขมันจะทุก ใจก็ไม่ได้รู้ไป ด, ด้ว ย, พวยวเพราะเราค่อยเหวัตถุคืออะไรแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งหนึ่งอยากจะนําเสนอแต่ส่วนใหญ่คนที่ตั้งใจเอาคําที่แนะนําไปทำมันมีน้อยฟังวนะ่ามันทำได้จะเข้าใจจะไปทํานี้นก็ทำไม่ได้ทาบ้าง ไ, นะงไม่ทำบ้างไม่ทำบ้างขอขอกลับเรียนเสริมนิดนึงครับเกี่ยวกับญาติกธรรมนะครับพอดีผมมาจากอเมริกานะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้กับหลวงพ่อเนี่ย บ็เสร็จแล้วเนี่ย6ชั่วโมงผมว่าเรามีพักที่ดีอยู่นะครับผมว่าทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับเดินเข้ามาถามหลวงพ่อนะครับผมเนี่ยคนแรกเลยที่เดินเข้ามาหาหลวงพ่อเนี่ย8ครั้งในวันเดียวแล้วผมก็เสียโอกาสแทนที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสถามหลวงพ่ออย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเพิ่งนี้นะครับช่วยกันมาถามหลวงพ่อกันนิดนึง อยู่ที่นู่นไม่มีโอกาสได้ถามนะครับไม่ใช่หลวงพ่อเราตั้งเรา้คุณถามแต่พราะคุณของคุณมีอยู่บ้างมันจะมีเหตุให้หลวพ่อตั้งตอยู่ตรงนั้นถ้าคุณคุณไมมีหว่าจะไปทางืแล้วก็ได้วันนี้ท่านตั้งที่มาดูแต่คอสแต่หพ่อคยจะไต่อทงื่ไม่ได้ไปแต่ไม่ได้หมายกว่าเราตั้งแต่ว่าคุณคุณสเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ีเรา่ไม่ึแต่มันต้เป็นไปนะ เพราะดันทั้งคุณนันและคุณเล็กือความทั้งใจมากนะทั้งสองนี้ิดยก็ทางานร้านอาหารมามองไทยเรื่อยๆมาเ ข, าข้าคอยซึ่งคนไทยหลายคนที่มีความต่างคราีครอยิ่งทำไมเขาไม่ม้องก็ว่าบุคชลมันไม่เหมือนกันนะนั้ น, น, นสิ่งหนึ่งอยากจะแนะนำให้นําปฏิบัติธรรมระมวิยทยาระมวิทยาไม่ได้ไมายถึงไปนั่คิดแต่ว่ามันคืออะไรนั่งดูว่ามันปวดมันคืออะไร สบายคืออะไรนิคืออะไรตัวแต่ละตัวที่เรานั่งลงไปนะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าปล่อยมันหานไปเลยจับมันมาสําำระจับมันมาแยกแยกอย่าไม่มีทีเดีเลยในที่นี้ปัญหาสาระวัตรมันไม่มีอะไรจุดนี้คือสําคัญนะถ้าเราได้สติแล้วในสำขู้ชมอะสติแล้วสมาวิทยากั้แต่เราได้สติแล้วเราไม่ทำสมาวิทยา พคนเล็กทำธรรมวิทยาเกิดปีที่นะเรียนเกิดปีที่เกิดปัจจัยเกิดความสุขขึ้นมามันเห็นข้อมูลการที่ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่เราไม่มีอะไรไปเป็นมันไม่เกิดธรรมวิทยาเพราะตัวจิตไม่เข้มแข็งไนทําบ้างไม่ทำบา ง, ท ำ, บางทำแบบเต็มใจบางไม่เด็แต่แตบ้างทําแบบไ ม, ไม่ไม่เต็มร้อยอะมันก็เลยทําให้ตัวจิตก็ไม่ตัดธรรมวิทยาก็าไม่เกิดก็ปัญหานไปก็ต้องอาศัย หลายรอบตกจะเกิดแรงตั้ใจนะเพราะฉนั้นอย่าลืว่าเราไปทำรู้แต่อย่าลืมว่าธรรมะไม่ยากมันจะเปนั่งคิดแต่เปนั่งรู้สิ่งที่มันเกิดสิ่งีมันเกิดเก้ดตลอดเวลากาของเราเช่นเบเาเื่อยเจเหนื่อยเจ้าิเาเบื่อเจปวดเ้าอ้วสลับสลับไปสับไปสับมาแต่เราตั้งสติขึ้ได้ให้มันเกิด ทห้มันเกิดขึ้นแล้วก็จะดูตัวที่มันชัดที่สุดเพาะมันเกิดขึ้นเพราะมันตั้งหลายตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราสา ม, สมรารถที่จะสร้างขึ้นมาได้คือททุกรวนานั่งมันมีอย่างคุณเรียก ว, ว่าแค่สองชั่วโมงเลยแล้วคุณขยับ่งหรือว่าหายหักจิตอย่างที่หลวงพ่อเทศก็หกักิตคือคาดเทียบอะร ม, มันคาดเทียบกนเคาดเทียบในความคิดนะเพราะฉะนั้นมันจม ต้องปิบัติวกล้าได้ลาเสียนะแล้วก็รับรองอะไรอะไรการเสี ย, นะ อ, อ, ย, สยอันนี้ก็เป็นเคสอันนึ่งนะที่ทำและบางคนอาจจะไม่ทำเปดนประจานนะแต่ถ้ากล้าได้กเสียมันชัดเจนนะรู้รู้แค่รู้รู้ชัดเจนว่าอะไรอะไรนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือสที่อยากจะําเสนอในเร็ตอง น, นี้แต่กอ่อนที่จะําเสนอนี้ก็ราะองค์รพ้าเราเยสลับทันทนเอมาอวันนี้ก็เลยในหะ้ขันอน ต, นตัางตั้อ หลักอนั้นเ็วันที่กิดให้ท่านก่อนกับท่านสองเบยรินท่านก่อนเคยปรน่เรืองในบางสำหรัีเคยมาทำเอามาด้วยเขาคี้ตับเช็เ้าอาวงานจะทีวัแทนเดชถ้าเราไปสนุนทงานสนับสนมาดีา รบวนนีปี่วัดแล้วรัสไปทอะไรไอ่าดการหลวงพ่อครับคารวะคณะสงฆ์รูสมเนนแล้วก็เจริญธรรมญาติโยมทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นการเก็บอารมณ์วันวันเดียววันแรกก็คงมีเวลาน้อยทุกนี้ก็จะเดินทางไป ทำงานที่วัดดอยต่อครับก็วันนี้ก็ไม่ได้นอนครับเพราะว่าไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ก็เป็นเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์นำรูปที่เกิดอัดขัดเคืองก็เลยไม่มีอาการง่วงแต่ว่าเป็นเป็นความคิดแต่ก็ไม่มีอิทธิพลมากนะครับเพราะว่าก็พยายามสังเกต เรื่องของอารมณ์นำรูปในแต่ละวันตอนเช้าก็ตอนเช้าก็ไม่ได้ตื่นตื่นสายนะครับก็ตื่นปกติตอนเช้าก็ตื่นปกติก็พยายามห้าปีที่ผ่านมาก็พยายามศึกษาแล้วก็คิดสุดคิดสุดให้ตัวเองในการปฏิบัติ ก็อย่างอย่างเช่นท่านเวียหลางก็มีสูตรของท่านหงโปก็มีสูตรของหงโปผมก็มีสูตรของผมนะครับสูตรของผมก็เป็นคณิกะสมาธิอารมณ์นารูปชีวิตเบาลงอะไรประมาณนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คือสูตรของผมเองส่วนจะ คิดถูกยังไงก็แล้วแต่ประสบการณ์ของใครของมันครับผมมีเพียงเท่านี้ครับ่มบาี่ยล่นก็ให้ไปสาต่อเพราะตเรปิจเพราะว่อนาตเป็นสมรรถสั้นน่งิ้งจากที่มาดเจ็บใช้หน่วยเดิมยาว มากเราะนั้น็ีรกษาที่ได้รัสแต่ก็จนิครับผมเมื่อก่อนแกนะเป็นเรียกว่าเป็นแรตูเลยวรบเดี๋ยวนี้ี่านองครับกบนกการงพ่อครับกับคณะสงฆ์ทุกรูปครับและน้องเน้นด้วย สวัสดีไปยังญาติธรรมทุกคนครับที่หลวงพ่อให้เจ็บอารมณ์หนึ่งวันเนี่ยนะก็ผมก็ตัดใจเลยครับเข้าไปดูว่าให้ให้มันได้เสียไปเลยนะว่าเราเข้าไปปุ๊บเราเราเดินไปเดินมาเราก็รู้แล้วล่ะ ว, ว่าการเข้ามาเข้ามาปฏิบัติ มายกมือมาเดินกลับไปกลับมานี่มันมันแน่นอนครับที่ที่ทําให้เราความคิดมันน้อยลงแล้วก็เราก็เราไปแอบนอนดูว่าถ้าเราไปนอนปุ๊บนี่เราเราเราจะคิดไหมเราคิดนะนอนนอนนอนไม่หลับหรอกเข้าเข้าไปนอนดูปุ๊บมันก็นอนไปอย่างนั้นอ่ะเราเลกลับมาปุ๊บมาเข้าทางจงกรมแล้วก็มาเดินเดินรอบสะดูนูน่นดูนี่นะ พอมาคิดดูว่าโอ้มันความความคิดเราลดลดลงนะที่เคยที่เคยกินเหล้าหรืออะไรต่างๆมานี่ยมามาปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนที่นําโดยมหาหลวงพ่อมหาเราเนี่ยมันได้ผลจริงครับความคิดน้อยลงแล้วก็การการกินเหล้าเมายาอะไรนี่มันหายจริงครับถ้าใครตั้งใจเข้ามาปฏิบัติถ้าใครคิดมากหรือ หรือเรื่องส่วนตัวอะไรต่ า, ง, นะ า, า, างเนี่ยความรู้กความกอดความควหลวงเนี่ยมันมันลดลงจริงครับที่ที่มันมีอันนี้สงที่ที่ผมเชื่อเนี่ยมันมันแน่นอนล้านล้านเปอเนะครับมันมันจะหายเลยแต่ก่อนผมกินเหล้านะกินเหล้าจากวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเลยนะเบอร์ไปเลยวันกินเหมือนกินน้ํานะกินบ้านตัวเองนะกินจิ๊บไปเรื่อยกินไปเรื่อยด่วนวันนี้ร่างกายเราเราเราไม่คิดดูเอา้าวร่างกายเรานี่มัน มันเป็นทุกข์มันเป็นแบบยังไงล่ะทุกข์แบบมันไม่อยากได้อะไรเลยนะมันมันมันจิตมันมันตกมันมันบาปอ่ะทั้งที่เรากินเหล้าแล้วก็มานั่งนั่งดูนะนั่งนั่งดูจิตตัวเองนะกินปึ๊บโอ้จิตจิตเศร้าหมองมันเป็นนี้เหรอใช่ไหมจิตตกเป็นนี้เหรอจิตร่องรอยมันเป็นนี้เหรอมันมันมันมีหลายจิตนะฮะจิตจิตที่ว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดไว้นี่จิต จิตไม่เอาไหนจิตบปลว่า ม, มันตายแล้วตายทั้งเป็นนะผมก็เลยโอ้ทำไงดีเนอะที่ออกจากหงพ่อไปปีพศสองพนะันห้าร้อยห้าห้านะแต่ก่อนอยู่กับหงพ่อปีห้าห้าสี่มาวัดรอยก็เลยตัดสินใจบวชนะฮะบวชว่าว่าจะบวชสักเดือนสองเดือนว่าจะสิกอันนี้ก็มาถึงถึงสี่พรรษานี้นะฮะได้ได้สี่พรรษา ก็เลยโอ้มันมันก็ดีนะครับมาเรามาเดินไปเดินมานะเราเราดูตัวเองนะโอ้จิตจิตคนเรามันเป็นยังไงเนาะมันดันสั้นนฮะมันดูดูปุ๊บนี่การหนักเบาที่หลวงพ่อบอกนะฮะมันมันมันการที่เราเข้ามาอยู่กับตัวเรามาดูตัวเรานี่มันมันมันมีประโยชน์มากครับผมมันนิดเดียวถ้าถ้าใครเพลินไปนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยความคิดเราจะสมบูรณ์นะมันมันมันมันคิดน้อยลงแล้วสมองเราจะจะมีปัญญาขึ้นน่ะจะมีจะมีสมองที่ดีขึ้น่ะ แต่กวนไม่ไม่เคยมารู้จักปฏิบัติของนุมพ่อเทียนนี่ยคิดคมากครับต้องป้องดื่มดื่มเพื่อดับกุ้มใจนะดีใจก็จินเสียใจก็จินนะกินไปกินไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเรานะจินนั่งกินทั้งวันเลยมันจินน้ําจิบไปเรื่อยๆอันนก็กินอีกกินอีกจนจนเข้าโรงพยาบาลนะฮะเข้าโรงพยาบาลสงวันที่สาวไปไปดูกับพี่เขยเขาก็เอาเสื้อผ้าไปซักให้ ก็ได้เข้ามาบวชกับอ่าอาจารย์ดวงศิลนะครับก็เลยได้มาพบเจอกับหลวงพ่ออีกมันเวียนไปมันบุญบุญเรามีน่ะก็ได้ก็ได้มาเสริมอีกครับแต่ก่อนไปกับท่านเนี่ยเดินบ้างไม่ไม่เดินบ้างแอบไปนอนบ้างขับรถบ้างไงตอนตอนนั้นมันมันมันมันมันมันนไม่มีเวลามากนะถ้าเราบวชเข้ามาเพิ่มล้วยว่าญาติโยมมาเป็นเดบัตเป็นคอร์อย่างเงี้ยผมว่ามันได้แน่นอนครับเนี่ยห้าวันหกวันเจ็ดวันนี่ไม่น้อยก็มากนะถ้าใครตั้งใจนะได้แน่นอนความทุกข์น้อยลง แล้วก็มันจะมีอานิสงส์ติดในตัวจิตลึกๆอ่ะมันมันมีอีกจิตหนึ่งจิตลึกๆที่เรามั่นใจที่เราทําอ่ะมันมันมันมีพลังอยู่ตัวหนึ่งที่ที่ที่จะมาเสริมให้เรามีมีกําลังใจที่ปฏิบัติในสายสายการงานของก็เรียนนะไม่ไม่เบื่อนะฮะมันมันก็ง่ายนะก็ยกปุ๊บเดินไปปั๊บมันก็หยุดแล้วความคิดเนี่ยมันหนีไปตรงนี้แหละไปไปเอามาเราลืมนะเราลืมปุ๊บโอแต่ก่อนเคยเคยติดเล่าติดอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันมันเริ่มมันเริ่มเป็นบรรลั่นลงทีละเล็กทีละน้อยลงไปอ่ะทํายังไงที่จะทําให้เรามีจิตเป็นกลางมันมันก็มีก็เหมือนเราขับรถแหละเหยียบเหยียบเร็วก็ไปเร็วใช่ไหมเหยียบร้อยก็ไปร้อยใช่ไหมความเร็วถ้ากลางๆก็ห้าสิบใช่ไหมคนเรามันเปรียบเทียบได้หมดนะทั้งสัตว์ทั้งยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยเก่าหรือว่าคําโบราณของคนเท่าคนแจกเราเราเปรียบเทียบได้หมดมนุษย์แต่จิตท้องเรานี่มันรู้ทุกคนดีชั่วใช่ไหม ดีชั่วก็รู้เอออาหารกันจินดีเราก็รู้เนะ่ยเหยียบอันนี้ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเราก็รู้ใช่ไหมนั่นแหละการมาปฏิบัตินั้นทําก็เหมือนกันที่หลวงพ่อที่แนะนําเนี่ยออมันมันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยที่ท่านที่ท่านเทศหรือที่หรื อ, ห ร, อหรือเราคอยตามท่านไปแล้วเอาไปไปปฏิบัตินะสักข้อหนึ่งผมว่าเนี่ยนอนลอ ง, ลอ ง, ล, องลองดูข้อข้อหนึ่งนี่ท่านว่าเออใ ห, ให้ให้ดูหนักเบาเนี่ยผมผมเห็นลงพ่อพ่อบอกอยู่อ ย, อยู่วัดควยหุ่นสวดอะ อ้าวเดินเดินให้ให้ดูหนักเบาตอนแรกก็เป็นคนเดินไวอืมีอารมณ์รุนแรงนะเอาไปเอามันมั น, ม, นมันเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นลงหลวงพ่อก็ให้ไปอยู่ห้วยขุนสวดท่านอาจจะลองลองดูใจเรานะเราเราจะทําอะไรบ้างก็อยู่กับผ้าใหม่ก็พากันทำกับกับกับอาจารย์ตั้งว่าพากันทําบันไดขุดหินบ้าง ผมพ่อบ้างทำสายไฟบ้างช่วยช่วยเขามันมันก็มีพลังอีกแบบนึ่งนะครับทําการงานด้วยแล้วก็มามาปฏิบัติด้วยมันคู่กันนะเราทํางานด้วยมปฏิบัติด้วยมันมันได้พลังอีกแบบหนึง่งที่ที่เราให้ให้เรามีจิตมีพลังนะ่ะมีกําลังร่างกายแข็งแรงเห็นไหมตอนเช้าหลงพ่อจะพาออกมาเอ็กซอร์ใช่ไหมให้ร่างกายเรามันมีอุณหภูมิหนึ่งร่างกายเราต้องสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์ปุ๊บจิตจิตสมบูรณ์ปุ๊บ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันมันมันจะสมบูรณ์แบบเลยฮะมันมันจะมีนี่นี่จุดนี้แหละมันจะมีอันนี้สูงมากมันมันจะขึ้นขึ้นอยู่กับจิตของบวงของของไขว่างมันนะเนี่ยจิตจิตใครที่สมบูรณ์เนี่ยมันมันรู้ทุกคนแหละครับถ้าขอให้เราปฏิบัติไปกลับไปบ้านก็ก็ก็ปฏิบัติครับถึงเวลามีคอรก็ก็ตามครับลุกตามด้วยครับเป็นลูกโซ่ที่ที่มีพี่น้องมีญาติทํามาร่วมกันเนี่ยผมว่ามันมันเป็นบุญมากครับแล้วก็ ขอบคุณเจ้าของสวนแล้วก็แม่ครัวด้วยนะครับที่อนุเคราะห์ที่อาตมาได้มามาฝึกมาดูจิตดูใจของของผมเนี่ยมันมันมันได้อยู่นะครับก็ก็ไม่อยากพูดมากเพราะว่าเพราะว่ามันได้ได้จริงเราเดินไปตอนมันเป็นสัมปะยะที่ที่ที่ดีนะับมันเป็นที่เหมาะเหมาะที่ปฏิบัติธรรมนะครับตรงนี้ แบบง่ายๆครับกันอยู่กันกินง่ายๆผมผมชอบแบบนี้แหละง่ายๆไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มากอย่างปัป๊บปัป๊บมีระเบียบนะครับผมมีระเบียบแล้วก็คนคนมาปฏิบัติก็มีมีระเบียบมีหน้าที่ที่เคยปฏิบัติมาในดีทุกคนนะฮะมีแต่คนตั้งใจสุดท้ายนี้ขอให้คุณภัะีรันาตนตัยพระพุทธธรรมประสงค์ขอให้มีความเจริญในการปฏิบัติธรรมได้เห็นได้เห็นธรรม มีร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ปฏิบัติปฏิบัติทำต่อต่อไปนะครับสาธุน้องปริมาณเทว่าอาจารย์อาจารย์ศินอาจารย์โดลสิบอกาอยู่อยู่บ้าน ใกลบ้านเดี่ยวรถเก่ามันเข้าคืนตรงนั้นกะจงไว้หลวงพอก็อให้ไปจำพรรษาในป่าไม้สวนพรรษาผ่านมาไปที่เราไปเก็บไ่ที่ไกลเรายอยู่บนเขาเามเดือนกลับมาพรรษาก็คิดว่าท่านตั้งใจอดแคท่ว่าเดือนไดวสุนะเพราะว่าบดเราอดเพื่อนไม่ได้ก <c oughs> ็อยู่มาได้สี่พรรษาไม่เอจอนนาจำพรรษาแล้วก็กลับตนั้นท่านก็ไปนคนขับรถใหม แต่ที่ก็อยู่ปฏิบัติคิว่าคงไม่กลับไปที่เดิมใช่มต่อแต่ว่าไม่กลับไปจริงนะถ้าถ้ายังไม่แน่ก็ต้องไปสักรอบแล้วก็ให้สวดนะยาวๆหลายปีก็เราเห็นว่าทำเนี่ยทำทคนไม่ป็นคนทำศัต คนทาเปรกให้เป็นคนทําพียเป็นคนได้เพียงแต่ว่าขอให้เราได้มีสถานะมีสถ า, าเราเริ่มต้นอย่างที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าเราตั้งใจมีสถามันเป็นไปได้ทั้งนั้นด้วยความอธิบายของธรรมเนี่ยมาเลยกมีมีความมั่นใจว่าทุกคนถ้าทำตามที่แนะนำมันจะเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าที่ยอมแพ้ก็คือคนไม่ไม่ทำตาม อันนี้ยอมนอะมีศรัทธาเป็นสิ่งที่สําคัญว่าะศรัทธาสาสตรปฏิทิดาถ้าศรัทธาตั้งมั่นจะได้อะไรก็สําเร็จแต่ถ้าศรัทธาไม่ตั้งมั่นมันไม่สาเร็จเพราะว่าเราไม่เต็มที่ฉะนั้นในการมาเข้าปฏิบัติแต่ละชุดกีเราเก็บเข้าเก็บบารมณนะเพื่อให้ศึกษาดูว่าใครเข้าใจความรู้สึกตัวได้ได้บ้าง แต่ถ้าเราเข้าใจความรู้สึกตัวได้ยมันจะเอาไปทำเป็นจะรู้จักวีธแก้ปัญหาปัญหาง่ายๆคือมันปวด ม, นนมันเหนื่อยมันเบือมันจะเอาปัญหาพื้นฐานนี้แก้ให้เส็จ ป, ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวไปแล้วปัญหาไกลตัวไม่ยากนะทุกคนมีปัญหาพื้นฐานหมดมปัญหาที่เกิดจากอันนี้จากผู้ขันัายเนีุ่กต้องรู้ต้องศึกษาต้องเคยใจมันทุกคนก็ทําให้เรา เห็นมันตลอดเวลาต้องมาดูตรงไหนกายเป็นอย่างไรที่ตละดเวลาแต่ถ้าเราไม่ได้เฉลยสติไม่ได้ทำความรู้สึกตัวทั่วร้องไม่ถูกต้องแม้แต่มีทุกอยู่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ฉะนั้นเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเราแก้ไขทุกเป็นสติปัฏฐานสติสัำยะที่เราปฏิบัติแล้วเข้าใจถูกแต่ถ้าหากว่าเรามีทุกอยู่ยังแก้ทุกไม่เป็น แม้แต่จะท่องสีฐานสูตรได้คร่อบเหมืนอนนกย่รุกขุทองก็ไม่สามารถที่จะไปใช้อะไรได้แต่บางคนที่เข้าใจใช้เป็นไม่รู้จักสิิฐานเป็นภาษาบาลีแม้แต่ตัวเดียวก็ใช้เป็นเพราะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยนะทีเห็นแค่ตั้งใจรู้ใน3ส่วนส่วนที่กำลังเกิดอะไรเกิดขึ้นเช่นวาเรานั่ง สิ่งที่กเกิดขึ้นนะคืออะไรก็จั่ดูขยับ ด, ดูก็ขยับ ด, ดูไปขยับ ด, ดูมาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่อะไรจั่งอยู่แล้วก็ดับไปขบวนการของทุกข์ทั้งหมดพุทธิยถาที่แต่สรุปว่าในที่นี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเมื่อมันมีทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ เพราะฉะนั้นสิที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือทุกหลวงเทีนบอกว่าที่ปฏิบัติทำเนี่ยไม่ต้องกา ร, ราดอกมรรผลเราไม่ต้องการไปมรรคไปผลไปนิพพานแต่ต้องการรู้ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดคือคําพิสดาถ้ารู้ว่าทุกคนเกิดจากอะไรแล้วจัด ก, การเอาพกกุกข์อกมรรคนิพพานเป็นไงไม่ต้องปรักปราไม่ต้องกอมดมันก็เป็นของมันเอไม่ต้องไปปรันะรกปรามหรอกมรรคผลนิพพานถ้าหาว่าเรารู้จักเห็น แต่ถ้ารู้จักเห็นว่าทุกเกิดจากอะไรแล้วไม่ต้องปรัรถนามาได้เองนะดังนั้นทุกเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะเราจะทำาะลให้รู้จักมันดีที่สุดนะสร้างทุกข์ขึ้นเหยืนายสร้างทุกข์ึ้นเพื่อให้จะรู้ที่มาของมันแต่ถ้าเราไม่รู้ที่มาไม่สร้างมันขึ้นให้มันเกิดขึ้นเองเนี่ยเราไม่รู้ที่มาแต่ถ้าเราสร้างมันขึ้นเรารู้ที่มา เข้าใจนะทุกที่มันเกิดเองเราไม่เหที่มาของมันมันโครคภัยแค่เจ็บที่เกิดเองไม่เห็ที่มาแต่ถ้าออกกาลังกายมันเจ็บตรงนั้นมันปวดเรารู้ที่มาเพราะเราเป็นผู้ทําเองอดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ทําเองเราก็สามารถควบคุมได้มาขับบรรชาได้แต่ถ้าหากว่าธรรมาชาติมันทําให้เราคับบัญหาไม่ได้เพระอนาาัตตาแต่ว่า เ, าเอาทํา ที่เราตั้งใจทําขึ้นที่สูตขึ้ น, นมันเกิดขึ้นเราก็จิตตั้งมือก็จิตับไปก็เห็นเราก็รู้จีตไปที่มาของมันรู้มนออันบ่อยครอบบ่อยเขาไอเขากระทุกมันก็คือวามรู้สึกแค่นิดหนึ่งแต่เราไม่เข้าใจความรู้สึกอันนี้เราก็ไปสําคัญมั่นหมายความรู้สึกอันนี้ว่าเป็นของเราทุกของเราสุขของเราที่จริงลึแล้วเนี่ยรู้สึกอะไรสุขมันไม่มีมีแต่ทุกน้อยลง นักเรียนสายเขาบอกบางนเย็นมันได้มีที่มันเย็นรอนมันน้อยลงเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปปรารถนสุขเพียงแต่ทำเให้น้อยลงเท่อนั้นเองดังันมออยลงเราไปสมุติองการทนี่้น้อยลงเองทุกนันปนรตสุขเพท่นานั้นเองดังนันีก็ได้ง่ายทุขเพียัต่่้อยางเานั้นเองั้นเมื่อเมาว่าถ้าหาก่าใครไม่ ศาสนาบรารมีไม่แย่จริงๆเนี่ยไม่มีใครจะเข้ใจไม่ได้เพราะมันอยู่กับเราไม่เราจะไมะ่ได้หาในสิ่งที่ไม่มีแต่เราหาสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแต่วันนี้มันยังไม่เห็นตอนนี้มันยังไม่เก็ตเนต้องพยายามต่อไ ป, อยอนะไปอยพยายามปรึกษาพยายามเปลี่ยนใช้ศรัทธาใช้ความตั้งใจใช้ความอดทนนิดเดียวนะว่าขณะ น, นี้เราสํำรวจเห็นว่าขณะ น, นี้ จะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายของ่าทุกเนีส่วนไหนมันเป็นทุกในกายส่วนไหนที่ว่ามันเป็นทุกในกายส่วนไหนเราเข้าไปตั้งใจดูมันมนสำรวจใด้ดีเอาสติปัญญานี่แหละสำรวจไปดูว่าขะ น, น, นี้ก็บอกอนิจจังทุกขงาาังรานะจาในส่วนั้นเป็นอนิจจังหาไม่เจอจะลุกสิคร้งมจะนั่งสิผนก็ต้องยอมเพื่อให้เห็นว่าอานิจจังเป็นอย่างไรแลวที่ว่าอานิจจังก็ให้เกิดขึกคร มันเป็นยังไงแ้่ทุกครั้งก่อนที่เกิดอาจารมันเกิดอย่างไรคนมาแค่นี้คนไปคนมากระโดดไปกระโดดมาพอนี้จุดหนึ่งแล้วมันคลิกขึ้นมาแล้วมันจะหายสงสัเลยแล้วจากนั้นเราจะทําอะไรด้วยความมั่นใจเพราะว่าเพราะว่าย่อโลกทั้งโลกทั้งจักรวาลมันมีอู่แค่นั้นเองแต่ที่เราขยายออกไปเป็นอะไรต่างเพราะเราไม่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปรู้อะไรมันก็อยู่แค่นี้เอง สั้นๆใล้ๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทษห้องปากแต่ว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดขึ้นจีิงๆว่าอะไรเกิดขึ้นและไม่เหการตั้งอยู่ว่าอะไรตั้งอยู่สลกดับปอะไรดับเราก็ไม่ตั้งใจจงแต่สี่เหล่านี้มีอยู่ตลอดเวลาแต่ยังขาดตัวรู้ตัวเห็ตัวเข้าใจดังนั้นเราก็ต้องทนคำไปตัวนี้ทนคำทนทุกขไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามันเบาเกินไปก็ทําให้มันหนักนิดนึงถ้ามันชัดถ้ามันหนักแล้วอายุต้องนี้ดูบนติดมันหนักเท่าไหร่และจะลดหนักลงเท่าไหร่อย่างไรที่เราบอกวไม่หนักเป็นอย่างไรแล้วที่บอกว่ามันหนักมันหนักไงเรตบต้นมันขึ้นดูด้วยการซักไปซ้อมมาซักไปซ้อมมาน่มันก็เห็นเขามันเด้งนะ เราเห็นว่าทุกจุดเป็นจุดที่เราสามารถคนคว้าศึกษาได้ในร่างกาก็จะหมดจุดเท้าไม่มีจุดใดเลยแต่ถ้าเรายังไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดปัญญาแม้ต่อยู่ต่อทุกก็ยังไม่เห็นทุกบุรุษเขาบอกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ําคนไม่เห็นทุกหนอนไม่เห็นมูนไ ม, ม่เห็ขู่มันเสมอกั น, นะอยู่กับน้ำก็จะไม่เห็นน้ํา นกอยู่บนฟ้ามันก็ไม่เห็ฟ้าก็ราะตามไม่เป็นอยู่ขึ้นข้าบนลงข้างล่างนอนอยู่ในช่วงมันก็ไม่รู้ว่ามนเป็นเป็นช่วงเพรามันได้อยู่อยู่ดิบกันเป็นอันเดียวกันนะดังนั้นเองการมาปฏิบัติเพื่อเราจะได้เดี่ยวการแยกว่าทุกข์กับจิตมันอันเดียวกันทุกข์กับกายมันเป็เดียวกันแต่ความมันไม่แช่อันเดียวกันแต่เรายังไม่ได้ตั้งใจแยกตัูว่ามันทุกข์กับกายการไม่ได้เป็นทุกข์มาก่อน ใจนี่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์มาก่อนแต่มันเป็นทุกข์ตอนไหนเนี่ยเราต้องจับดูไปเรื่อยๆแล้วเขา่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรนะดูไปดูมาเนี้ยนะซ้อมไปซ่อมาอ๋อมันแค่เรื่องแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันเราจะกลัวมันจะเจกลัวแต่พอเรารู้จักมันแล้วมันก็ไม่กลัวนะนั่าในส่วนที่การเจริญ อยากให้เปทำแค่นี้แหละไม่เลยทํำแรงมากคนนี้แหลอันไหนที่มันไม่ชัดสับซอั่นมันมชัดอันไหนที่ยังไม่เห็นซับซ้อนันมันเห็นเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเดินดูอยู่เดินดูอยู่มันยังไม่เห็นชัดตอนนั่งดูแต่ว่านั่งก็ให้มันเห็นชัดๆก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนอ๋อคือตั้งใจว่าตั้งใจว่านั่ง นั่งเนี้ยมันเห็นแนี้าต้องนั่งยาววิซึ่งเห็นนั่นก็เห็นทุกแล้วแหละแล้วต่อไปอะไรอย่างดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะให้คำตอบก็าเราเราจะต้องได้คำตอบของเราเองถ้าสมมุติว่าหลวงพ่ออาจจะมาจะบอกดูทุกเรื่องเมื่ไหร่นี้นี่นะอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราเองเราต้องดูของเราคำตอบออกมามันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นมาจะได้คำตอบแบบนี้แต่ขอให้มันเป็นคาตอบของเราที่มั่นใจนะนั้นใน วิธีการของโคงนะ้ดนนั้นเป็นวิธีการที่เหมาะมากสาหรับคนปัจจุบันเพราะคนปัจจุบันนั้นเป็นคนที่ดีอีค่อนข้างอ่อนเพราะอะไรพรอาเราถูกสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นแรงกระทบกระเทือนอนะ่ะค่อนข้างแรงไม่ว่าลูกกินดสัมผัสแหลมคมนั่นทำให้อีซีของเราถูกดูดดึงไหลด้วยม น, นะจนพลังกินเราไม่ ไม่พอที่จะมาตั้งมาสั้งใจดู น, น, นานๆกำลังอ่อนๆก็อยู่กับสุขแล้วก็ติดสุขแล้วไปอยูกัทุขกขแ์แล้วเปเป็นทุกข์ซะเราไม่สามารถจะแยกตัวออกจากสุขจากทุกข์ได้แต่พอเรามานั่งทำให้มานั่งแยกตัวสุขกับกายเป็นไงทุกข์กับกายเป็นของจริงไหมจนกระทั่งว่าสี่ล่านี้มันเห็นจนชินหูชินตามันเห็นตลอดเวลา นั้นหมาเพราะว่าเรามีดวงตาแล้วนันการมาสร้างจังหวะบริเวณจมูกนั้นเท่ากับมาสร้างลวงกานันเอพอได้ดวงตาคือตัวรู้ตัวจริงๆแล้วก็ยามมันก้นอ๋อทำไ ม, ส บ, นนไมสบายใจเป็นอย่างนี้ทำไมสบายใจเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมอเมื่อย่าตั้งประเด็ว่าคุณลองไปดูด้วยว่าระหว่างความสบายของความเธอเนี่ยมันมันเป็นยงไรให้เกิดเป็นอย่างไรเนะพราะว่ารู้ว่าความเพลินมันมาจากความสบาย ความสนุกสนานมนจะควา ม, มอดอเรไรอดเรไอก็คือความสนุกสนานซึ่งมันก็เป็นกระตุน้นกระตุต้นให้มันทุกข์ขึ้นนะแต่มันทุกข์แบบสนุกนะ ม, นมันเรากินเผ็ดก็รู้ว่าเผ็มันไม่สบายแต่คนเรก็ชอบกินเผ็ดยนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่ามันมีความสนุกสนานในทุกข์ไป ทำอะไรบางสิ่อย่างไปเต้นไปเล่นไปดังมันก็ทุกข์แต่ละมันสะดุกนี่เขาเรียกว่าเราติดในรสชาติแต่นั้นเองชีวิตที่มันมีรสชาติของทุกข์ปรุงเราอยู่ปรุงเราแก่ว่าเราไม่เคยรู้จักทุกข์เราก็สำคัญว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นสุดดังนั้นผู้ดูชนท้งหลายของมันเป็นนิพพานเพราะว่าสัมคัญสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่นเที่ยงสำคัญสิ่งที่ว่าเป็นทุกข์กัเป็นสุดสำคัญสิ่ง ไม่มีตัวตนหนะรอกวมีตัวตนอพอเรามาปฏิบัตินะถ้าเราติดํามความจริงสิ่งที่ไม่เที่ยมมันตีนี้นะนที่เป็นทุกค์อันตรายนี่มันทุกข์จริงสำคัญไม่สําคัญจิตนะฉะนั้นเองกจากใจที่เราเป็นผู้ชนอยูความวิ ป, มปริตแปลกหรือความวิปรภาพของเรายังมีอยู่ในใจของคนแต่พอมาจะเลยจะดิเราเห็นสีดําเป็นสีดํามีสีขาวเป็นสีขาว มันเห็น like แต่ถ้าหาว่าเราบอดสีได้สห่เป็นสีหนึ่งีดำเป็นสีขสาวเปสีดาเรียกว่าสายตามันผีดพาเราก็ต้องมาปรับสายตาใหม่เรียกว่าสมาธิสิเ็นตามความเป็นจริงถ้าเราห็นสีไปอางนั้นก็เป็นวิชาทีฉะนั้นเอเวลาเราปฏิบัติมันเป็นเวลามากพอเวันในวิธีการวัดเทียนถ้าจงกล้าลดหลับสจากที่ว่า7วันให้เยอะส 7ปีให้เหลือสปี3ปีให้เหลือหนปีหนึ่งปีให้เหลือหนึ่ง ว, วันก็สิบวันที่ท่านท้าทายเอาไว้ถ้าดูอย่างนี้นะที่านดูที่ไปที่มาดูนั่งยากเดินดูวันจบรามันก็จะต้องรู้แน่นอนนะไม่วันใดก็วันนึงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็จะต้องมีกาเรียนนิดที้หมาย่ามีคนที่นำมีคนที่รู้มากกว่าเรา มาคอยชี้บอกว่านี้อัชัยอันนี้ไม่ใช่บางทีเราไม่มีประสบการณ์เราก็อาจจะหลงทาง น, นะอันนั้นเองส่วนในปัจจุบันเนี้มันมันไม่ค่อยหลงพอเลยเพราะว่าคนชี้นำเยอะกรมีสต่างๆไม่ว่าเป็นอเชัยในเอทีเไม่ว่าใน Youtube ในเว็บไซต์อะไรต่างเราก็เลือกใช้เอาที่ไหนที่มันถูกต้องเนี่ย ฟังแล้วมันเข้าใจได้เป็นผลที่ตรงตามเหได้สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องฟังแล้วเราเกิดยังสงสัยอยู่ในยังสงสัยอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไม่ชัดแจนะ้นั่นตอนสิ่งบางอย่างเนี่ยความถูกความผิดเนี่ยคนรู้กันได้เพราะเรื่องเป็นเป็นคอมเมนต์ซึ่งเป็นติดสานึกซึ่คนรู้ได้เข้าใจได้ ไม่ได้เลือกวโง่จะได้รเรียมากเรียนน้อยมันเป็นจิตสำนึกที่สามารถรู้ได้ว่านี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนมีอยู่แล้วสําสนึกระโมละโนธรรมเพรานั้นเองในแต่ละวันที่ผ่านไปผ่านไปมีความสําคัญมากขอนะให้ตื่นตัวขึ้นมาได้ยินขึ้นมาแล้วลก็เริ่มสำรวจเริ่มต้นเริ่มตื่นมาบสังเกตมานตาไม่ต้องไปดู นาฬิกะก็ไปฟังเสียงนาฬาว่ามัานตาฝาดไแสบหมเนมามันยังแสบยังฝาดเหือยอยู่อาหลมันพอถ้าตนปิ้งขึ้นมาที่ที่สองมาตาเบาสาดโล่คเปลี่ยนต่อเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาความแน่นอนกับสังขารหรือร่างกายไม่ได้แต่มันมีสัญญาณบอกว่าไ พอดีอันไหนมันไม่พอดีมีสัญญาณบอกอยู่นะเพราะนั้นเราบอกว่าเคยตื่นดีสามทุกวันจะากใมานตื่นยี่ทุกวันก็ไม่ได้พ่นคัดขันแต่ละวันไม่เหมือนกันวันนี้ผัดขันปกติมันก็ตื่นได้ตามต้องการวันนี้คาดขันไม่ปกติพนเป็นเรี่อยๆมันหายตื่นสายวันนั้นดีเช้าออกนั้นแปลกวนทีนี้ถ้าหากว่าจิตเราแปลกวน หากหขันธ์ก็แปรปรวนธาตุานนันธ์เปี่ยนปนจิตแล้วก็แปรปรวนด้วนยะ น, นั่นในวิธีการก็จะมาก็คือการปรับธาตุขันธ์ตีเช้ า, ามามาเพิ่มธาดุดินน้ำลมไฟการทางานความดนน้ำลมไฟทำให้เป็นปนิสัยเดียบเดียเด็๋ไปเราอเออตัวนี้มาเข้าข้ดไปทาเลอกจบข้อไปแล้วไม่ต้องทาอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ถ้าเรารักตัวเองจริง น, นะ เรื่องอะไรที่จะทำมาดีให้ปันะตัวเองอย่าไปลางหรอกต้องทําให้สมสมรไม่ว่าจะเกิดเอะไรก็ตามถ้ามานะไม่ติดคัดนะไม่เป็ไปขี่คัดก็ต้องเดินทางไกลต้องไปทํางเรือต้องรีด ก, ก็จะต้องทําทุกเช้าจะอยู่ที่ไหนก็นตามแม้จะไปอยู่ที่แอร์ดักบก็ตามที่ให้บอกก็ต้องพยายามทำแม้แต่ในเครื่องบิกตื่นขึ้นมาก็หาที่ทำมันจะได้ดังนั้นท้าเรารับตัวตั ว, ตว โชคจริงๆเ่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องมีข้อแม้เงื่อนไขอะไรทั้งนั้นแหละขอละ้ขอไรเพราะเวลาเราจเจ็บเราป่วยมาแล้วเราเก็บป่วยคนเดียวถึงแม้ว่ามีญาติมีเงินีของมากมาแเราก็ยังป่วยอยู่ดีแต่ถ้าเรามีตัวการดูแลใจสใส่ตวเที่ดีแล้วเนี่ยอามาคิดว่าไม่หรือบปล่าแลจริงๆเนเราคงไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ถ้ามันจะเจ็บจะป่วยต้อมาด้วยเหตุหรือวิสยัย เราดูวบากต่ำเราก็ต้อยอมเรว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วดูแลได้ดีที่สุดแล้วมันจะเก็บจะปวดก็ไปเรื่องวิบากต่ำไปแก้ไขไปแล้เราได้รับผลกลรมนั้นะดังนั้นเราก็ศึกษาไปดูแลไปว่าวันไหนที่เราจะเจ็บวันไหนจะปวดวันไหนจะเก็บปวดมันก็มีสัญญาณบอกเราว่ามันมาจากอะไรเพราะความเจ็บมันนํำมาซึงความปวดเพราะนั้นมีอาการเก็บขึ้นมาเมื่อไรจต้องอาศัยสติ เข้าไปรักษ า, ายอยู่ยาทันทีไม่ว่าเกิดปัจจุบันทั น, นตัวงเกิดปกติเองหรือเกิดโดยวิวากระดาบต้องการแก้ไขให้มากท่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าหากว่าเราลงมือมิตรอย่างนี้เราก็ดูต่อไปว่ามันจะไปถึงไหนนะคอยมีสติคอยระมัดระวังตั้งใจไม่ว่าการอยู่การที่การดับการนอนการไปการมาคอยระมัดระวัง เ, เสมอนะ ให้นว่าทีวีเนีเป็นสิ่งมีค่าที่สุดชิ้นเดียวเราจะหาทรัพยสินชุบชื้นได้หมื่นล้านสนล้านก็ไม่เท่าไม่เท่ากับชีวิตที่มันปกติอันนี้นันเราจะทำารายรักษาที่มันปกติให้มีคุณค่าก็คือใช้สติสมัติญาณที่ผู้อตัดไว้ดีแล้นะนั่นเองความมีสติตรงนหรือความไม่ประมาทเป็น ท, ทั้งหมด ของพโพระทานจาัอไว้อย่างนั้นปฐม 8, 000, 4, 000, ปมัคแปดหมื่ันปฐมขันรวมไปลงในธรรมบทเดียวคีอความไม่ประมาทหรือไม่คาสตินั้นนั้นเราจึงมาเจริญสติแต่มาเจริญสติแล้วเราก็ต้องมุ่งให้มันเป็นสติที่เป็นสมาสติที่ถูกต้องถ้าพูดถึงสมาสติก็เป็นเรื่องของปริยัติละบางคนไม่เคยคุ้นเคยก็อยากจสัมมาสติมันแปลว่าอะไร แต่วสติที่ถูกต้องอาสติถูกต้องเป็นอะไรนะสติที่ถูกต้องกลับมาดูตัวเองแค่นี้ง่ายๆแต่เราจะไปแยกว่าดูกายดูวัฒนาดูจิตดูธรรมก็คุยเรื่อของปัญญตไปอีกแลไม่เข้าใจอีกแล้วสติที่ถูกต้องคือกลับมาดูความรู้สึกของตัวเองว่าขณะ น, น, นี้รู้สึกอย่างไรแล้วแก้ไขไปต่างนั้นพระคประคองไปตามนั้นตามความหมาะสมกับการลเทศะนั้นเรียกเป็นสติที่ถูกต้อง เพราะนั forth, haben, schnell, ้นธรรมะที่พุทธเจ้านำมาสอนก็จริงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเป็นเรื่องง่ายสี่ทำไปแต่ด้วยอาศัยที่เรามันลุ่ล้ำกับเรืความคิดและข้อสงสัยต่างๆมันก็กลายเป็นเรื่ยากไปทําไมก็ว่าทำไมมันกลายเป็นยากแต่ถ้าเราน้กถึงอดีตของเราคนไหนจะยากมานก็ปวดจำจะบรรลุเดิมทีชัดเจนก็เราก็ลงลูกข้าวารมาหลายเรื่องหลายราวคนอื่นก็คงจะเหมือนเราไม่ได้ แต่ก็ด้วยมีกรเรียนนี้และปู่อ า, าจะเป็นเพื่ อ, อคนคนห้กําลังใจนะเราก็ได้อาศัยเรียนมิตนั้นทุกอย่างแต่ด ว, ว่ากเรียนมิตเป็นทั้งหมดของตัวมาจักรหมายความว่าจะช่วยเราได้รรถึงเบืต้นที่สุดก็ต้องอาศัยกเรียนิตนะแล้วได้กล่าวองกรว่าส่วนประกอบที่สําคัญคือกเรียนมิตและอยู่ที่สมาร์ทอการหมายความว่ากเรียนมิตรช่วยเราได้ห้ร์เซ เราต้องมีปัญญาอีก 50% แต่ถ้าเรามีคุณธรรมวิธีเราไม่มีโยนิโสไม่มีปัญญาอยู่กับกัรนิสัยเราในเวลาก็าอะไรจะทําไม่ไดนะ้แต่ถ้าเรามีปัญญาไม่แสวงหากรารนิสเราอาจจะไปทางที่ตร ง, งข้ามก็มีความมั่นใจได้ในทางที่ไม่ถูก น, ะนั้นเเราสุคดีตรงที่ว่าเราได้บ้านที่เราได้ไ ป, ปญญายายได้าอาหารอนะาจจะน้อง คออรกจะน้อมมีศรัทธานในทางนี้นะแล้วก็จัดข้าวปลาอาหารี ด, ดีเลิศทุกวันเป็นหน้าที่อยู่ที่นอนก็เขอยู่ได้ความ ส, สงบสนัดของสถานที่เกอมีพอสมควรนะแล้วก็ดีคว า, ากตัวเยือม่หนาวขึินไปไม่เย็นขึ้นไปเพราะนั้นตีเสื้อหก้ลที่เราจะได้ทุ่งเท ศ, ศึกษาแก่ท้า ทำตามที่ธรรมะแนะนารอบรองแล ว, ว่าไม่มีไข่บ้างมีไข่เพียนพะอรพรกระตุ้นให้รู้จักแก้ไขตัวเองว่าอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาต้องมีแก้ไขแต่ถ้าหากว่าเราไปทําอะไรผิดเพี้ยนเพยนไมตามที่แนะนําอบๆแบช่วยอะไรไม่ได้คงใจนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่นําไปแต่ละวันลองเอาปพิสูจดูพิสูจดูแล้วมันไม่แจ้งมันไม่จริงหรือมันไม่เข้าใจ ให้มาถามอย่างคุณเล็กวัเนี้ยมาถามถึงปครั้งถามว่าจะมาลองคันไม่เอยว่าเออนี่ยเป็นสัญญาณที่จะเข้าใจกับมันได้งา่ายก็เข้าใจได้ดีๆปรากฏ ว, ว่าวันนี้โูม้มีความสุขมากเลยมนะันเนี่ยไม่่เข้าใจได้ถ้าที่คนไม่เอาไหนเดี่ยอย่าวอาไปนะจะเอาไหนขึ้นมาแล้วว <c oughs> ันนี้ไปนี่มาทั้งวันไปโน่นไปนู่ก็พอใ ไปอาจารย<ถ>์ให้โอกาสจริงๆครับแปดท่านี่แต่ละรอบไี่ถามประมาณสี่ห้านาทีาถ้าถ้าเรียกแบบที่ื่นนี้แต่ว่าเป็นคุณของคุณนะไม่ใช่หมายความว่าพอใจเอาใจคุณไม่ใช่นะแต่เป็นคุณของคุณที่ที่ทําให้คุณเกิดความพิสอย่างนั้นดังนั้นในปฏิบัติแต่ละคนที่มายถ้าหากว่าจะมาผ่านไปไม่ต้องเกรงใจแต่ถ้ า, ามีจีตต้องถามก็าถามแต่ถ้ามันมีต้องถามว่าตังาา้งใจทาอยู่แล้ว แต่ว่ามันยังไม่ถึงที่ก็าก็ทำไปแต่ว่าไม่ช่วยครับทุกเรื่องเรื่องที่จําเป็นนะเรื่องไหนที่ไม่จําเป็นนะ ก, ก็ไม่ตอบ ก, ก, กันเพื่อจะเสียเวลาพอดีว่าจําเป็นหะไรผมเออถ้าว่าถามมันมันจ ะ, จะดูตอบยิไปได้นี่ก็ถามนะเพราะว่ามันเป็นหลักของการเรียนรู้วัสือการฟังฟังเข้าใจจีตพิจารณาตามที่ฟังจูดีปุ เมื่อพิจารณาแล้วมันไม่ทู้ไม่ปลูกโปรง่งไม่แก่แจ้งก็ต้องมีปลูกคือปลูกชาพิ่ามถามแล้วเกรงว่ามันจะเกิดจำไม่ได้เกิดรม้หรืออ่านราบันทึกเจอาไว้ก็ได้นะเาะนั้นเองวุฒิยศตระ่าสุจิตปุรินิ้ิมุตโตกัมุโสบันดิตโเวคนเราถ้าหาว่าไม่ฟังไม่พิจรารณาไม่ถาม ไม่รู้จดจําจะเป็นคนฉลาดไม่ได้แต่คนไหนก็ตามรู้จับฟังรู้จับพิจารณารู้จับถามรู้จักกำหนดจดจำไว้ทำตามคนนั้นแม้ว่างู้ดจะเท่าไหร่ก็เป็นคนฉลาดได้อันว่านั้นหลักการนั้นว่าทั้งสีประการสุขีบุร น, นี่แหละจะทําให้เรารู้และเข้าใจอะไได้ง่ายนะดังนั้นเองในแต่ละวันแต่ละวันที่ให้บทเรียนไปก็คือต้องการที่สูตรดู แล่วหมอขอยากถามวันนี้คุณไปสัง Make เกตไหมว่าระหว่างความคอความสบายกับความเจริญเนี่ยมันเชื่อมต pues, right kind of ่อกับตรงไหนคุณเห็นไหคุณพยายามบ้างไหมแต่หลายคนก็ยังไม่ได้พยายามนะเราถามอีท่านหนึ่งว่าคิดกล่าวบนนี้ที่ว่าความเห็นใรักต้องเอาอนนี้จับขึ้นก่อนแล้วอนนี้ใส่ต้องเอาทุึก่อนพวาเห็ใจต้องไปทีจารณาดอ้ผมก็่รู้จักแต่ละผมก็ไม่รู้จักทเอาง่ายๆว่า ข้อเหตุอไรธรรมชาติก็ต้องเอาคําแปลปรวนความเปลี่ยนแปลงมาเป็นหลักตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยเอาการแปลปนปลี่ยนแปลงมาเป็นตัวตั้งตัวแก้ปัญหาก็คือเอาตัวที่มันเป็นคนความรู้ควาเป็นตัวตั้งมันก็จะง่ายขึ้นนะนั้นเองในช่วงเย็นวันนี้เราได้วามรายงานเบืต้นจากผู้ที่เข้าเก็บควารู้ เราก็จะมีแต่ละวันไป็นช่วงเก็บอารมณ์เผืว่าคนที่แด่อารมณ์ ก, ก็จะมาแต่งานให้เพื่อนฟังแ น, นี้เพื่อที่ยังไม่มีกำลังใจก็จะมี่งกำลังใจเพื่ อ, อที่เดินทางเมื่อถูกก็จะเดินทางถกอันเนเหตุผลว่าทําไมเราต้องให้นักปฏิบัติใส่งานเป็นฟังนะใหญ่ต้องเป็นการฝึกฟังฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีนะแล้วก็ผู้พูดก็ต้องฝึก พูดในการเป็นผู้พูดที um ่ดีเอามาความแก่ลุกคนเอามาก็ฟังนะอย่างบางคนอย่างคำคำเดียวเนี่ยในประโยคไม่ถึงห้านาทีพ <Así> ูดคำเดียวซ้ากับปร้อยครั้งก่อยังกอยอย่างนี้ก็ก็กๆๆ็ไปให้เด็กก็เราก็นั่นคือการฝึกอ่าูดฟังก็ต้องตั้งใจฟังเวลาถึงเวลาพูดก็เจอพูดได้ถูกต้อง การพูดไม่ได้ใส่กลไม่ได้ตัดกรงใช้กับพูดเก่าๆซ้าๆซัก ๆ, ๆ, ๆ, ๆนั่นแสดงว่าสติสัมยั ย, ยังไม่เข้มแข็งพอเพราะไม่มีการกัดกรงในการเอ่ยเอืเอ่อหรือว ย, ยาจในคำพูดแต่ละครั้งเราก็ต้องตระหนักรู้เอ่ยท่านจะต้องเจริญสติสัมยายให้ดีกว่านี้เวลาการแสดงออกแล้วมันจะได้ถูกต้องกระทำรัดชัดเจนและ ส, ะสลับเฉลวยมันจะไม่มีคาฟุ่มเฟือยคํา ยืเดเยื้อทสำซ้ำซากขึ้นมาเป็นตัวอุปสตรตรค ต, ร ต, รตรอ่อการชื่นความหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งว่าทำามมาต้องการให้พูดและต้องการให้รายงานเพื่อให้มีผู้ฟังรู้จับฟังฟังแล้วเป็นไงหรืออ่านไหมไม่ถูกใจหรืออ่านไหมอหาหาห่อานแล้วเป็นไงใจไอ้สังเกตตรงนั้นและเป็นการฝึกผู้พูดว่าผู้พูดมีสิติจำยาที่พุดมาถกต้องไหย ถ้าฝึกมาต้องต้องไม่สับสนต้องไม่เยอนเยนเยอะได้ความกระทัดรันะถ้าฝึกมาูต้องตัวนั้นก็จะเป็นตัวดัดสีได้ว่าอวันนี้ฝึกมาอย่างเนี้ยนะมันก็เป็นตัวแสดงนะที่เป็นรูปธรรมนะอันนั้นเองก็ในวันนี้เราเริ่มเก็บอรมณพรุ่งนี้ก็กลุ่มเกา่ากเข้าเต็มที่เหมือนเดิมและ กลุ่มใหมนะ่ทั้งที่สมัครและไม่สมัครก็เราเข้านะแต่ว่าคนไหนที่มาดูแล้วยังไม่เก่งจะเข้าเาก็ให้ข้างนอกนะก็มีอยู่หลายคนทีให้อยู่ข้างนอกเราเป็นกลุ่มหนึงนะสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมจเก่งไหนเพราะว่ายัางอารมณ์ยังไม่รวมอารมณ์ยังยังไม่นึ่งถึงเข้าไปก็ไม่ได้ผลอะไรนะก็จะพิจารณาเก่งใดๆไปด้กันผู้หญิงเองสาม ตกลงว่าที่นากล่าวมาทั้งหมดไม่มีท่านผู้ใดห้องใจสงสัยอะไรจะทำผิดเนาะในช่วงเ็นเนี่ยถ้ามีก็ได้กรุณายกมือขึ้นแลไปถามา่มีเราก็จะเดินจงกมนซักสามรอบก่อเลิกได้แต่ที่เรากมืขึ้นยืนแล้วก็ในขณะที่เราเดินจกรมคนที่ยืนเกีก็จะเก่งสี Thank you.